กรกดาคมพุทธศักราช2559เมื่อวานหลวงพ่อทั้งที่รับทราบว่าท่านพระอาจารย์สมชายจังหวัดลบบุรีกับคณะสัตธาญาติโยมจะมาพักค้างที่วัดหลวงพ่อที่บอกในจดหมายก็บอกว่า140คนทั้งที่หลวงพ่อทราบทั้งทราบ รู้ทางรู้แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่วัดเมื่อวานเพราะว่าได้รับนิมนต์งานหลวงปู่ถิน่นครบรอบ11ปีที่วัดบัญจิกจังหวัดอุดรเขาน้นิมนต์มาทุกปีเขานิมนต์มาเป็นก่อนหน้านี้เป็นเดือนๆที่เขาบอกกล่าวล่วงหน้าไว้ก่อนผมพ่อก็รับเพราะว่าทุกปีที่ผ่านมาก็ หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเขาก็มีความมุ่งหมายตั้งใจเพราะนั้นหลวงพ่อรู้ทั้งรู้อย่างที่ว่านะเอา้าไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงพี่น้องลบปุรีมาถึงวัดเราก็ให้พักพ่อนอนวัดสักคืนหนึ่งพุ่งี้เช้ามีอะไรยังค่อยพูดกันยังค่อยพบกันมีอะไรจะได้สนธนาปราบรบกัน หลวงพ่อแลยออกไปแต่เมื่อวานตั้งแต่บ่ายี่ห้าโมงเย็นกลับมาเมาื่อคืนห้าทุ่มกว่านะลูกหลานกลับมาถึงวัดห้าทุ่มกว่าเมาื่อคืนกว่าจะได้นอนกับะมาณทักเที่งทยงคืนกว่ากว่านี่แหละแต่หลวงพ่อก็พูดนะไปเมื่อวานคณะท า, ายาิโยมทุกทุกท่านครูบาอาจารย์หลวงพ่ออายุมากแล้ว เ2็ดปีแล้วการที่จะมารับนิมนต์ตลอดหน้าตลอดหลังคงจะทำได้ยากต่อไปภายภาคหน้าแต่ว่าปีต่อไปหลวงพ่อจะต้องถวารับทารับก็ต้องคิดต้องดูสุขภาพของตอนเองด้วยไม่ใช่ว่าถ้าหาว่าปีนี้มาปีหน้าไม่มาครูบ า, า, า, ะะายอาจารย์พอจะ่ายญาติโยมรู้จักมักกุนหมักมากเข้าไปแล้วก็ พยองพองตัวลูกคิดบางคนจะคิดอย่างนั้นแต่ตามไปจริงไม่ได้คิดถึงว่าร่างกายสังขารของท่านย โ, โรยไปตามอายุสังขารเจ็บไข้ได้ป่วยพอท่านกูจในกฎใ น, ฎนจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะถ้าพอมาได้ก็ไปถ้าพอไปไม่ได้แล้วก็ต้องดูนี่แหละเมื่อวานในหลวงพ่อก็เลยได้ไปรับนิมนต์แล้วก็แสดงธรรมแต่คนมากน้ำมาวานเนี่ย วัดบ้านจิกเพราะว่ามีการมอบอาคารริอาคารใหญ่ด้วยมอบอาคารที่หลวงปู่มรณะขอบรอบ11ปีมีท่าน เ, เจ้าคณะภาคเจา้าคุณภาคจากวัดภัชสีนะเจ้าคณะภาคแปดและรองเจ้าคณะภาคด้วยแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดอุดรรองเจ้าคณะจังหวัดอุดร แล้วกับคณะสงฆ์พระกรรมฐานไปเยอะเมื่อวานไปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นก็นเสร็จแล้วก็หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเทศเมื่อคืนนี้จากเสด็จเสร็จแล้วก็ ก, กลับมาที่หลวงพ่อได้พูดจากวันนี้อีกวันหนึ่งประมาณบ่ายโมงพี่น้องสัททายาิโยมในอยู่ในละแวกนี้สองสามหมู่บ้านที่อยู่ในเขต ร ะ, ะแว่นี้แอลแหวกนี้นะมีนั่นะโยมอุรณโยมเสียอ๋อกับคุณแม่วงสาคณะญาติที่มาสร้างศาลาศาลาอเนกประสงค์ศาลาพักศพจุดที่เมนคงจะมามอบวันนี้เพราะนั้นขอประกาศบอกกล่าวพวกเราตอนบ่ายๆนะมาร่วมกันแสดงออก ผู้ที่เขามีน้ำใจเราก็ต้องมีน้ำใจที่พวกเราจะได้เอามาใช้ในสาธารณประโยชน์มันไม่ใช่ประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งทุกคนนั่นแหละอยู่ในท้องถิ น, นะนี้วันนี้วันนี้แหละตอนบ่ายทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วนะละ่ะพวกเราไปดูไปเห็นด้วยกันนั่นแหละอันนี้คื อ, คอกิจกรรมของวัดในชุมชนของพวกเราพวกเราควรจะรับรู้รับทรา บ, ร, บร่วมกันนะ แล้วก็ช่วงนี้หลวงพ่อไปนัสถานที่ใดหลวงพ่อก็บอกประกาศแนะนำสั่งสอนหรือว่าให้แนวความคิดสำหรับพวกเราทุกทท่านเพราะว่าการพูดและการแสดงธรรมถ้าเราได้สังเกตดูพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่ามีท่านผู้ใดก็ตามชี้ทางอย่างนี้ถูกไหมควรจะเดินอย่างนี้นะพวกเรา ควรปฏิบัติตนอย่างนี้นะควรจะคิดอย่างนี้นะควรจะพูดอย่างนี้นะเอ่อจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะเป็นสิริเป็นมงคลเอ่อสำหรับพวกเราพุทธศาสนิกชนอันนี้โดยมากครูบาอาจารย์ที่ขึ้นแสดงธรรมหรือว่าบอกกล่าวเอ่อคล้ายๆว่าชี้นําหนทางให้พวกเราได้คิดเอ่บางสิ่งบางอย่างพวกเราก็หลงลืมไปไม่ได้คิดแต่พอได้ยินเสียง ครูบาอาจารย์แนะนำบอกกล่าวพวกเราก็ได้สำนึกได้คิดเออใช่ถูกต้องพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นี่แหละอันนี้ก็คือการเทศนาว่าการและการแนะนำบอกกล่าวเพราะนั้นในท่วงในช่วงเทศกาลจะเข้าพรรษาอีกออสองอาทิตย์ก่ากว่าเนี่ยหลวงพ่อเห็นศรัทธายาจโยมที่มีท่านพระอาจารย์สมชัย มาจากรบปุรีร้อยกว่าท่านถึงจะอยู่ทสถานที่ใดก็าตามพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทคําว่าบริษัทบริษัททางร้านเราเข้าบริษัทไหนอยู่บริษัทไหนกฎกติกาของบริษัทนั้นเป็นอย่างไรอันนี้เราเข้ามาในพุทธบริษัทของพระพุทธทเจ้าเราก็ควรจะทําตนอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ในบริษัทของพวกเราปฏิบัติปฏิบัติตนอย่างไงคิดอย่างไงทำอย่างไงพูดอย่างไงจึงจะเกิดประโยชน์ในบริษัทของเราอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนในบริษัทจะต้องคิดพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปรับทัศนคติของตนเองให้ไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมเพราะนั้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในหลวงพ่อเองอยากจะปรับความคิดทัศนคติของทางพระลูกพระหลานของหลวงพ่อด้วยทางคณะสัตย์ทายญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยในพรรษาเนี่พวกเราจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปพรรษาผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่คือพรรษานี่กัปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งพระจำพรรษาสิบสองเดือน เปลว่าสามเดือนเปลว่าในพรรษาของพระแต่คณาจายญาติโยมลราปฏิบัติตนอย่างไรในพรรษาถ้าเรานอกพรรษาเราก็มันกว้างเลอะละเกินไปแต่ในพรรษาพวกเราจะเอาประกอบคุณงามความดีอย่างไรเราจะกระจัดความชั่วออกจากกายวาจาใจของเราอย่างไรในสามเดือนนี่ถ้าเอาเป็นปีก็จะมากเกินไปถ้า เอาเป็นเดือนได้ก็ดีเลย์สมเดือนเนี่ย อ, อาในภรษาของพระนี่แหละเพราะพระในครั้ง <c oughs> ในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่พระพระจักกูบาลเนี่ยพาลูกศิษย์บริวารของตัวเองไปบําเพ็ญอยู่ในป่าพอไปเห็นที่สัปปายะศรัทธาญาติโยงก็พร้อมสถานที่ก็พร้อมท่านก็ ประกาศในหมู่เพื่อนที่ไปด้วยกันเออพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ใช่ว่าพวกเราจะมานอนจมนอนใจเกิดมาในโลกวัตฏสงสารเกิดและตายตายและเกิดไม่น่าจะถูกนะพวกเราควรจะเร่งความภาคเพียรตามแนวทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาเถอะนะในพรรษานีออ่ผมจะเอาอริยบท3ยืนเดินนั่ง จะไม่นอนเด็ดขาดในพรรษานี้จะไม่เองกายนะขนาดนั้นพระจักคูบานนะจากนั้นท่านก็ปฏิบัติในพรรษาจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้คือตัวอย่างสําหรับพวกเรานะในพรรษานี้ทีนี่อย่างพุทธบริษัท4ี่อย่างพวกเราเนี่ยนะพวกเราควรจะทําตนอย่างไรไม่ใช่วันคืนเดือนปีพรรษาผ่านไปก็ผ่านไป แต่เราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรเลยอันนั้นไม่น่าไม่น่าจะถูกนะหลวงพ่อวากนะเพราะนั้นการบอกกล่าวย้ำเตือนในพุทธบริษัทสีด้วยกันควรพวกเราควรจะปฏิบัตินตนอย่างไรสำหรับฆราวาสญาติโยมหลวงพ่อวา่าน่าจะไหว้พระกราบพระทำวัดเช้าเย็นทุกวันได้ไหมในพรรษาเนี่ย แต่ไม่ต้องมากก็ได้นะถ้าเราไม่เคยแล้วก็เอาในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะกราบพระทุกวันไม่ได้ขาดาก่อนนอนและตื่นนอนเอาสองครั้งนะก่อนนี้เราจะนอนกกับพุทโธธรมโมสังโฆนิพานังนิพานังคืออะไรคือข้าพเจ้าต้องการหวังพระนิพพานพ้นทุกไม่มาเวียนไหวตายเกิดนวตาสงสารวัทกคำนี้คืออะไร ทุกกายทุกใจเราก็ไม่ต้องการพ้นจากทุกมันดีกว่านีแปลว่าเออเขาว่าข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดคําว่าอดอยากอย่าได้มีลักษณะอย่างนั้นแหละคําว่าอดอยากอย่าได้มีมันกว้างขวางนี่ก็เหมือนกันพุทโธธรรมโสังโหนิพพานังข้าพเจ้าพ้นขอพ้นทุกในวัฏสงสารคําว่าทุกคําไหนก็ตามทุกกายก็ตามทุกใจก็ตามทุกเจ็บปวดก็ตามทุกไม่มีเงินก็ตามทุกอะไรก็ตามเนี จะได้เกิดมีกับข้าพเจ้านะนี่แหละอันนี้ก็คือก่อนไหวพระจากนั้นก็นเราจะท่านได้มากขอ่น้นกับน้โมตสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมเดบพระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถ้าได้มากกว่า น, นั้นอีกกัพุทธทงังทำมังสาางัสาางขังสรนังสรนังคัดฉามิข้าพเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งดุติยมปิตติยมปิ ถ้ามากกว่า น, นั้นก็อิติปิโสพะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธสันละเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็แผ่เมตตาลังท้ายนะแผ่เมตตาคำนี้อหังสุกิโตโ h มินิทุกโ hom ิอันนี้เราแปลเป็นภาษาได้ยากนะหลวงปู่ล่าท่านก็เลยสอนสมัยหลวงพ่อเป็นเนน้อยนะท่านว่าแผ่เมตตาคานี้น่ะคือออกมาจากจิตใจ ให้ออกมาจากจิตใจของพวกเรานั่งปนมมือไว้พอไหว้พระทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำวัดเช้าจบเรียบร้อยแล้วก็นั่งประนมมือทำใจให้เน่งเน่งทันว่าพอทำใจให้เน่งเป็นสมาธิแล้วเราก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขสัตว์อื่นทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่ว ทั่วใตโรคธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆรดวงใจทุกๆรดวงวิญญาณด้วยเทินนะคือความปรารถนาของเราอยากจะให้ทุกดวงวิญญาณมีความสุขอย่างเราต้องการปรารถนาถ้าว่าเรามีเมตตาอยู่ในจิตใจอย่างนี้เราไปอยู่นสถานที่ใดเวรไภก็จะไม่มีเขาจองเวรจองภจองเวรกับเราก็จะไม่ติดเพราะอะไรเพราะม เเราหันหลังให้แล้วเราไม่จองเวรจองกรรมกับใครแต่ถ้ามันมีมาก่อ น, อนคืออดีตชาตินะในอดีตชาติพวกเราเขาคงจะทํากันมาเราก็คงจะทํากับเขาแต่เอาเถอะนะามาพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะจองเวรจองกรรมกับเขาในอดีตชาติแต่มาชาตินี้เนะี่ย เราได้พบพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านสอนว่าเวนจะระงับไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเรายังจองเวนกันอยู่เวณจะระงับได้ถ้าหากว่าเราไม่จองเวนนี่แหละถ้าหากว่าเราจองเวนกันไม่มีที่สิ้นสุดเออมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทีแรกก็ตัวต่อตัวต่อป้าก็ชวนญาติโกโหติกาเออสู้กันต่อไปก็เออ เอาชาวบ้านต่อชาวบ้านสู้กันต่อมาตําบลตําบลชู้กันต่อมาประเทศต่อประเทศชู้สู้กันน่ะมันให่ขึ้นไปเรื่อยๆกับเวรตัวนี้น่ะถ้าว่าเราเห็นเวรภัยว่าไม่มีประโยชน์เออถ้าว่าเราไปจองเวรกับเขาเขามาจองเวรกับเรานี่อิรานพันตัวไปที่ไหนก็ไม่ได้เหมือนกับหมามันจะกัดกันตัวหนึ่งจะหนีไปตัวหนึ่งไปกัดงับขากับผลมาก็เลยพันกันอยู่ตลอดนต่าง คนต่างนี่หนีไม่ได้ผลที่สุดกาตายไ ม, ไม่ตายข้างหนึ่งก็ต้องตายข้างหนึ่งนี่แหละเวรมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าเวรจะระงับได้าหากว่าเราไม่จองเวรพระพุทธเจ้าท่านไม่จองเวรกับพระเทวทัตน ะ, ะพระเทวทัตจะจองเวรขนาดไหนพระพุทธเจ้ามีตนหนีลูกเดียวผลที่สุดชาติจุดท้ายชาติที่พระพุธทธเจ้าได้ตัดโรผมพระเทวทัตก็โห ไม่ลวดมีอะไรมิต่อมีอะไรจ้างในขมังธนูมาฆ่าปล่อยช้างนาฬิกิลิงไปเหยียบพระพุทธเจ้าขึ้นไปบนก้อนหินเกิ่งก้อนหินลงมาเนี่ยเลยหลายอยา่างแต่พระพุทธเจ้าให้อภัยไม่จองเวรผลที่สุดพระเทวทัตกันลงอเวจีมหานรกพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานฮะไปคนละทางกันเลยทีเียคงสุดท้ายนะนี่แหละ นี้พวกเราคนหน่าจะจึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเวลาเราไหว้พระจบแล้วเราจึงแผ่เมตตาทิศสวนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณจะได้ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราได้พบพระพุทธศาสนาจากนั้นในพรรษาเดี๋ยวที่จะถึงอย่างที่ว่าหลวงพ่อที่จะพูดเนี่ยสามเดือนที่จะถึงเนี่ยพวกเราควรจะวางแผนวางแปลนพางวางแผนชีวิตของเรา เราจะปฏิบัติตนอย่างไรในพรรตนี่ เ, ออเขาจะทําชั่วเขาอย่างวางแผนใช่ไหมออวางแผนแผน1แผน2แผน3แผนสี่เขาจะทําช่วนะเราจะทําดีเราจะไม่มีแผนเลยก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะออแผนหนึ่งเอาเราจะไหวพระทุกวันไม่ได้ขาดออแผนที่สองเราจะรักษาสิน 5, เออ้าตลอดไต ร, ต ร, ตรามาสสมเดือนได้ไหมทําไม่ได้ รักษาสี่ห้าทุกวันอาทิตย์ทุกวันพระทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ไหมรักษาอุโบสถได้ไหมแอลเหล่านี้แหละแล้วก็งดสุลาในในพรรษาเนี่ยสุรานี่แปลว่าในทางโลกเขาก็ว่ า, าก็ไม่เห็นจะผิดมากเท่าไหร่แต่ทางทำรรของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่ผิดอย่างมากนะทศชายาดโยมนะทำไม่ใชว่าผิดอย่างมากเพราะว่าคนกินดื่มเข้าไปแล้วมันขาดสติ ถ้ามันขนขาดสติแล้วดูสิถ้าคนเป็นบ้านะมันเสียหมดทุกอย่างเนละยยศถาบรรดาศักความมั่งมีสีสุขล่ํารวยขนาดไหนถ้องขนขาดสติแล้วหมดศักดินะ์ศรเออถ้ามเมาอยู่ตลอดเวลานีน่แหละท่านจึงว่าถ้าเมื่อคนขาดสติแล้วทําความดีก็ไม่ได้ดีเป็นนั่งภาวนาก็ไม่ได้จะไปสนทนาภาทีกับใครก็ไม่ได้เพราะมันคนขาดสตินะเพราะนั้นเราอยู่ดีๆอย่างเนี้ย อย่าให้มันขาดสติเหรอก็ไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะนั้นในพรรษานี้เอาถอะข้าพเจ้าจะงดโดยเด็ดขาดเลยเรื่องเรื่องสุราหนระือบุหรี่ก็เหมือนกันบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าไปถามหมอหมอก็จะพูดเลยเป็นมะเร็งในปอดป่างเป็นโรควันนรกหวังเ อ, อ, อะไรอย่างแต่หลวงพ่อก็ไม่บรรยายแต่หลวงพ่อได้รับทราบมาจากหมอเขาพูดอย่างนั้นท่านสูบบุหรี่ไหม อย่างนี้เขาเขาก็ถามเพราะนั้นเราถิงไหนก็ตามมาสู่ตัวของเราเนะี่ยไม่เกิดประโยชน์เราจะไปทําทำไมใช่ไหมเราก็ควรจะงดซะในสิ่งที่มันไม่เปิดไม่เกิดประโยชน์มันเป็นโทษอีกต่างหากสิ่งไหนที่จะเป็นไม่เป็นประโยชน์ถ้าเกิดโทษเราก็ควรจะห่างจากจุดนั้นนี่แหละหรือในพรรษาข้าพเจ้าไม่ได้ดูแลครอบครัว พ่อแม่ของข่าพ่อตาแม่ยายของข่าหรือปู่ย่าของข่าของของเราในพรรษาเนี่ยเอาเถอะใ้ครอบครัวของเราเนี่ยนะวันเสาร์ควรจะไปเยี่ยมพ่อตาแม่ยายวันอาทิตย์ไปเยี่ยมพ่อปู่แม่ย่าพาลูกของเราไปพาลูกพาหลานของเราไปลูกหลานก็จะได้เห็นปู่ย่าตายายจากนั้นก็เดี๋ยลูกหลานกับมอบ ขนมนมเลยนิดๆหน่อยๆเงินคำทรัพย์สมบัติใส่มือปุนขุนปู่คุณตาเออุณปู่คุณตาดีอกตีใจให้สินให้พรต่อไปภายภาคหน้าเอออาทิตย์นี้เอาผู้ที่จะไปสามีกัพ่อบ้านไปตีก๊อก็ได้แม่บ้านก็ไ ป, ไปชมตลาดไปซื้อของก็ได้เนี่ยให้วางแผนในรรษานี้ทดลองดูสิทาอย่างนี้นะหลวงพ่อว่า จะเกิดประโยชน์นะพอเราปูทางให้กับลูกหลานของเราเไม่ใช่ว่าวันไหนกับวันเก่าพอบานกับทะเลทรายไปหาตีไก่ไปหาอะไรตัวมีอะไรตีกุ้งตีก๊อปไปแม่ยบานกับทะเลทรลหนุ่มเข้าตลาดนุ่งตลาดนัดไม่ได้คิดถึงปู่ย่าตา ย, ายายพ่อแม่ของตนเองเลยนะเผลที่สุดเมื่อเราได้ลูกหลานมาเนี่ยลูกหลานก็เดินตามหลังเรานั่นแหละ เ, เดินตามหลังเรา เราพาทํำยังไงลูกของเราก็ทําอย่างนั้นแหละแต่นี่พวกเราอย่าบน่นอนะอย่าไปเสียใจลูกหลานไม่เชื่อฟังคําสอนของพ่อแม่เพราะเหตุไรเพราะตัวเองสอนเขาอย่างนั้นถ้าเราสอนไปในทางที่ดีลูกหลานเขาจะต้องเดินตามแนวแถวที่เราพาเดินถ้าเราพาไปหาพ่อแม่วันนี้วันเสาร์ไปหาคุณตาคุณยายนะทางไปหาทางแม่พ่อแม่ทางพันย แล้วก็วันอาทิตย์พาลูกพาพันยาพาไปหาพ่อแม่ทั้งฝ่ายสามีไปก็ให้ความเคารพเมื่อไปหาพ่อตากับเหมือนกับพ่อแม่ของเราทางฝ่ายแม่บ้านก็เหมือนกันเมื่อไปหาพ่อปู่แม่ย่าก็เหมือนกับพ่อแม่ของเราลูกของเราให้สนิทสนมทั้งสองกรรมัมสองฝ่ายแล้วก็ให้ความเมตตา มีอะไรติดไม้ติดมือไปบังเน็ตหน่อยถึงจะไม่ติดมือไปกินข้าวกับท่านท่านก็ยิ่งดีใจนะต่อไปภายภาคหน้านะลูกหลานของเราเราก็สอนหน่อยเอ้ยกูนะพาสูลูกหลานพาไปเห็นไหมพาไปหาปู่ย่าตายายนะยลูกหลานต้องเป็นคนดีนะลูกหลานนะนี่แหละอยากจะให้ลูกหลานของเราดี เราก็ต้องทําดีให้ลูกหลานของเราดูนะมันจึงจะถูกนะพวกเราท่นทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติในโลกโลกสมมุตินะาการเป็นอยู่ในโลกสมมุติเออถ้าหาวันเราถูกทำถูกต้องแล้วเป็นศีลเป็นธรรมแล้วความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราในตัวของเราเรานึกคิดนึกคิดขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่เราก็สบายใจเนะพราะเหตุไรพะเราทําในทางที่ถูกต้อง ในทางที่เป็นธรรมทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมจากนั้นก็การวางแผนชีวิตเก็บหอมลอมริบเราจะไปใช้สรุยทุลายอย่างบ้านเมืองทุกวันนี้เห็นไม่ล่ะเราก็ไม่คิดไม่ขาดว่าเศรษฐกิจมันจะฝืดแต่มันก็ฝืดได้อาจจะฝืดกว่านี้ต่อไปภายภาคหน้าพอโลกมันแย่งกันอยู่แย่งกันกินแต่ถึงยังไงถ้าเราวางแผนชีวิตของเราใช้ด้วยความประหยัด เ, เก็บหอมลอมริบ ทั้งสามีทั้งปัญญาวางแผนอนาคตของตนเองอะไรก็ไม่ใช่วางแผนแต่ทางด้านวัตถุนะทางด้านด้า น, นามธรรมคือศีลธรรมเราก็ควรจะวางแผนเพราะชีวิตของเราพวกเราบอกได้ไหมว่าข้าพเจ้าจะมีชีวิตร้อยปีตายไม่มีใครคิดได้จากนั้น เ, เราจะอยู่ไปกี่ปียืมจืมวันอยู่ตนเองไม่รู้จะไปวันไหน จะไปและจะไปที่ไหนออกจากภพนี้ชาตินี้เราจะไปไหนไม่มีใครรับประกันรับรองเราได้เพราะนั่นในหลักของพุทธ ศ, ศาสนาท่านยืนยันและได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เ, เมื่อเราทาเมื่อตายไปแล้วนะถ้าเราทำชั่วกรรมชั่วนัว่นแหละจะเป็นเพื่อนสองเป็นคู่เคียงข้างเราถ้าเราทากรรมดีกรรมดีจะเป็นเพื่อนสอง เคียงข้างเราเราทํากรรมดีเราทําบุญกุศลมากน้อยแค่ไหนเราทําความชั่วมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวขอ ง, ของพวกเราท่านทั้งหลายเองเพราะฉะนั้นจุดนั้นเราก็ต้องวางแผนเหมือนกันนะอย่างพวกเรามาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้แหละอย่างท่านพระอาจารย์สมชายพาทัศนศึกษาห่าอย่างมาวัดกูบาอาจารย์อย่างมาวัดหลวงพ่อเนี่ย ท่านคงจะพาไปหลายวัดนะพวกเราไปกราบไปไหว้หน่อบน้อมต่อพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติโดยสม่าเสมอโดยนั่งภาวนาปฏิบัตินั่งภาวนาตามลำพังด้วยเกินก่อนหลับก่อนนอนนั่งภาวนาสักห้าสบหนาที10บนาที20สนาทีเนี่ยได้ไหม ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้า อ, อ, อากาศเออย็นสบายๆแล้วก็นั่งภาวนาอีกสัก10นาที2ีนาทีก่อนจะไปทำงานนะพุโทโธพุโทโธทำใจให้มีเบรกทำใจให้เน่งทำใจให้สบายหลวงพ่อว่านี่แหละการดำเนินชีวิตของพวกเราจะไปในทางที่ดีจะไปในทางที่ถูกต้องนะคณาญาติโยมแต่ผูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเองเป็นแต่เป็ น, เ, ป น, เ, ปนเพียงแต่ผู้ชี้ ขนทางท่านเองแต่พวกเราจะเดินหรือไม่เดินนะเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายนะแต่นเป็นหน้าที่พูดเป็นหน้าที่แ น, นนะนําเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อพอหลวงพ่อเป็นพระในพระพุทธศาสนาอยู่ข้างในเห็นศรัทธาญาติโยมมาแล้วก็เอาจึงไหนที่จะเกิดประโยชน์อย่างพระ พ, พุทธเจนะ้าไปฉันหนที่ต่างๆพอฉันเสร็จแล้วก็ต่างองค์ต่างไป อแต่ศาสนาอื่นศาสนาอื่นเวลาฉันเสร็จแล้วทานอาหารเสร็จแล้วเขาให้ชินในพรเออพวกเราทานันได้มอบอาหารให้พวกเราได้อยู่ได้กินขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญความสุขความมั่งมีสีสุขล่ํารวยโชคดีไปนะัตสถ า, านที่ใดอย่าได้มีอุปสรรคเอศาสนาอื่นเขาให้พรฮนะ เ, ออเขาให้พรแต่นี่ พุทธพพุทธเจ้าเขาก็ตําหนิพุทธศาสนาตําหนิพระนะเนี่ยพระฉันยังหันเสร็จแล้วพุทธศาสานาพุทธจักรยบุตรเนะี่ยพอฉันยังหันเสร็จแล้วตาองค์ต่างไปพระองค์เลยให้ให้สินให้พรนะเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์องค์ใดเมื่อฉันเสร็จแล้วต้องให้พรเขานะถ้าไม่ให้พรปรับอวบถกกดเนะ่ยอย่างนั้นไปอีกทะนี่ยนะจากนั้นจึงมีวิญญาฐาวารีวหาจึงมีการให้พรเนนะี่ย คณะสัตยาญาณโยมนี้ก็เหมือนกัน่ะคณะศสัตธาญาิโยมมาสู่วัดว า, าศาสนามาถึงวัดของหลวง พ, องพออ่อหลวงพ่อเออแนะนําบอกกล่าว อ, อ, อย่างนี้ได้ดีไหมถูกไหมเป็นธรรมไหมปฏิบัติได้ไหมหลวงพ่อบอกแนวทางให้จากนั้นพวกเราก็คิดตามเลยคิดตามแนวความคิดของหลวงพอ่อออืใช่หลวงพ่ออินเราพูดมีเหตุผลน่าฟัง หน้าปฏิบัติได้พวกเรา็นนำไปปฏิบัติถ้าว่านำมามาพิจรารณาโดยโอ้ทำไม่ได้หรอก เ, อเกินกำลังของเราหรือพูดไม่ทุกพวกเราก็ใช้จิใช้ปัญญาของพวกเรานี่นนะกันกรองไตรตองอีกที่หนึ่งนะคันธ์สัทธาญาติโยมเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร น, น, นัตตินะรับพร